<failed> พวกเราที <prioritize> ่มาจากสารคามนะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เป็นวันแรกพวกเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับการปฏิบัติหรือแม้แต่การที่จะเปลี่ยนตัวมาอยู่ที่วัดก็อย่าให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแม้ว่าจะไม่คุ้นเคย เพราะว่าเวลาที่เราจะอยู่ที่วัดมันไม่ได้มีภาระอะไรมากมายไม่มีงานการไม่มีความรับผิดชอบนั้นไม่ต้องไปคุ้นคิดกับการคิดค้นงานไม่มีภาระอะไรที่จะต้องแบก เพราะฉะนั้นก็น่าจะรู้สึกว่าช่วงเวลาเจ็ดวันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะได้พักผ่อนนะพักทั้งกายพักทั้งใจนะที่เคยขึ้นเวรนะดึกๆ ก, ก็ก็ไม่มีนะเราก็เข้านอนแต่หัวค่ำนะตื่นตีสามตีสี่ก็ไม่ได้เรื่อง ไม่ใช่เรื่องที่เหลือบา ก, กว่าแรงของพวกเรามันเป็นเวลาที่เราจะได้พักใจจริงๆถ้าหากว่าเราวางใจเป็นเพราะว่างานการที่เคยทำก็ไม่จาเป็นต้องทำแล้วนะจะไป มีเรื่องอเผชิญหน้าพบปะ ก, กับใครก็ไม่จำเป็นมันมีสิ่งเดียวที่เราต้องอเผชิญก็คื อ, อเผชิญกับตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะลำบากอะไรเพราะว่าตัวเราก็คือมิตรที่ดีที่สุดของเราทุกคนก็รักตัวเองทั้งนั้น ก็น่าจะมีความสุขรละพึงพอใจที่ได้อยู่กับตัวเองแต่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองเท่าไหร่เราไปอยู่กับสิ่งภายนอกซีเยอะอยู่กับงานการบาั่งอยู่กับความสนุกสนานอยู่กับเพื่อนฝูงบ้างหรืออยู่กับข้าวของ เครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกมันก็เพลินได้เหมือนกันแต่ว่าก็ส่งผลให้เราเหินห่างจนไหนจะถึงกับแปลกแยกกับตัวเองแลี่พอแปลกแยกกับตัวเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากเวลาที่ต้องมาอยู่กับตัวเองคนเรานี่ จำนวนมากนิทนอยู่กับตัวเองไม่เคยได้แทนที่จะได้พบกับมิตรที่ดีที่สุดก็กลายเป็นไปเจอกับเหมือนกับศัตรูก็ได้ตัวเราเองกลายเป็นศัตรูของตัวเองก็เลยไม่อยากอยู่ไม่อยากเผชิญหน้าอยากจะหนีออกไปให้ไกลที่สุดแลนะซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะทำได้ง่าย อยู่กับงานอยู่กับเพื่อนอยู่กับโทรทัศน์อยู่กับละครหนังไปเที่ยวห้างแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีที่หนีที่จะเที่ยวมีน้ำซ้ำครูบาาจารย์ก็จะกวดขันด้วย อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เราได้อยู่กับตัวเองและการปฏิบัติก็ไม่ได้ยากอะไรนะไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลังคดหลังแข็งกันเป็นวันๆเราก็เดินจงกรมบ้างสร้างจังหวะบ้างอาจจะมีความทุกข์ความปวดความเมื่อยทางกายนิดหน่อยแต่ก็ไม่เหลือบา ก, กว่าแรง ของเราที่จะปรับตัวได้สักวันสองวันก็คุ้นแล้วแต่สิ่งที่ปรับตัวยากนั่นก็คือใจใจที่มันจะคอยดิ้นคอยหนีไม่อยากอยู่กับตัวเองแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปก็จะคุ้นเคยอาจจะมีความเบื่อบ้าง ความง่วงบ้างบางคนเพียงแค่นึกว่าอีกต้องเจ็ดวันกว่าจะได้กลับบ้านนะแค่นี้ก็ท้อแล้วอย่าไปมองไกลอย่างนั้นนะอันนี้เรามองข้ามช็อตเราไม่ต้องสนใจอีกหกวันที่เหลือสนใจแต่วันนี้ก็พอ แล้วก็เปิดใจต้อนรับวันนี้ซึ่งเป็นวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่สดใหม่อย่าไปสนใจพรุ่งนี้มะลือ น, นี้นะแค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรือว่ามองให้สั้นกว่า น, นั้นก็ได้คือทําเช้านี้ให้ดีที่สุดตอนบ่ายจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์ เหมือนกับเราจะกังวลเรื่องงานกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าทำอะไรไม่ได้คนเรามักจะ ก, กังวลไปกับสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้หรือบางทีสามารถทำได้แต่ว่าก็มัวไปจมอยู่กับความกังวลเจองานเร่งๆ เ, เข้าหลายงานงานนี้ก็เร่งงานนั้นก็เร่ง แล้วก็ต้องรีบทำให้เสร็จทั้งหมดภายในวันอีกอาทิตย์หน้าเพียงแค่รู้เพียงแค่นึกเท่านี้ใจก็ห่อเหี่ยวท้อกังวลว่าจะเสร็จทันไหมเฝ้แต่คิดเท่านี้แล้วว่าจะเสร็จทันไหมจะเสร็จทันไหมถ้าไม่เสร็จจะเป็นยังไงโอลําบากเกิดเรื่องแน่นอนเลยไม่ทันลงมือทําเลยนะเอาแต่คิดเอาแต่กังวลถ้ามีบางคนนักังวลแบบเนี้กังวลจนกระทั่ง ปวดหัวเลยพอปวดหัวเสร็จทำงานไม่ได้แล้วนอนต้องนอนพักเอาแรงทั้งๆ ท, ที่อยากจะเร่งทําให้เสร็จปรากฏว่าไอ้ความกังวล น, นี่แหละหรือความอยากที่จะทําให้เสร็จนั่นแหละกลายเป็นตัวขัดขวางทําให้เสร็จช้าลงเพราะเอาแต่กังวลโดยที่ไม่ทันไม่ยอมลงมือทําสักทีถ้าคนเป็นอย่างนี้กันมากนะ อยากจะให้งานเสร็จ ไ, ไวๆแต่ก็วิตกว่าจะไม่เสร็จมันมาคู่กันนะความอยากกับความวิตกเนี่ยอยากสวยอยากหนุ่มก็กลัวว่าจะไม่สวยกลัวว่าจะแก่อยากให้เสร็จไปไวๆก็จะกลัวว่าไม่เสร็จทันกําหนดแล้วพอไปจมอยู่ความกลัวนี่มันก็เลยหมดเลี่ยวหมดแรง ยิ่งอะไรก็ตามที่มันเร่งเสร็จไวๆเนี่ยก็ต้องรีบลงมือทำเสีแต่เดือนนี้สลัดความกังวลทิ้งไปนะแล้วมันก็จะไปได้เองงานก็จะคืบเคลื่อนหรือว่าเล่งรุดไปได้เองนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่นี่นี่นะไม่ต้องไปกังวลเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องหนี้สินนะ ไม่มีประโยชน์เพราะทำอะไรไม่ได้และเมื que ่อมาอยู่นี่แล้วก็อย่าไปกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมะรืนนี้จะเป็นอย่างไรหรือไปคอยนับวันว่าให้ถึงวันเสาร์เร็วๆเดี๋ยวเรามองอะไรไกลๆนี่มันทําให้ท้อนะมีนักปีนเขาคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผ่านเขาสูงมาทุกลูกแล้วไม่ว่าจะในทวีปไหนรวมทั้งเขาเอเวอเรสต์ซึ่งสูงที่สุดในโลกเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่ไกลๆแล้วมองไปที่ยอดเขาเนี่ยจะรู้สึกท้อเลย ม, มันทั้งสูงทั้งชันแล้วก็กว่าจะไปถึงต้องผ่านหุบเผวต่างๆมากมายไม่ทันจะเดินก็ท้อแล้วแต่ประสบการณ์สอนเขาว่า อย่าไปสนใจอย่าไปมองที่ตรงนั้นให้สนใจกับพื้นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวทำแค่นั้นก็พอดูแลแต่ละก้าวให้ดีไม่ต้องไปสนใจทางข้างหน้าสนใจแต่พื้นใต้ฝ่าเท้าและโดยวิธีนี้ก็ทําให้เขาสามารถเทียบปีนเขาสูงที่สุดในโลกไม่ว่าทวีปไหน รวม้องเขาสูงในทิ่อื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นพิธีการง่ายๆแต่ว่าก็เป็นวิธีการเกี่ยกวกับการปฏิบัติธรรมเราเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปอยู่กับอนาคตไม่ใช่ว่าไม่วางแผนก็วางแผนตอนวางแผนก็นั่งคิดเอาแต่พอลงมือปฏิบัติก็อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวทำแต่ละชั่วโมงให้ดีแล้วก็ซอยมาเป็นทำแต่ละนาทีให้ดีแล้วงานยากก็จะกลายเป็นงานง่ายอย่าว่าแต่สิ่งที่เป็นงานการสิ่งที่เป็นภาระเลยแม้แต่ของอร่อยของชอบเช่นขนมเค้กหรือว่าพิซซ่ามนะันชิ้นใหญ่มีใครบ้างที่กินหมด ภายในคำเดียวแม้แต่เป็นของอร่อยเราก็ต้องรู้จักหัน่นรู้จักแบ่งให้เป็นซิกซี่ให้เป็นชิ้นย่อยๆเสร็จแล้วแต่ละชิ้นก็ต้องกินทีละคำทีละคำไม่ใช่ว่ายัดเข้าปากให้หมดภายในชิ้นเดียวอันนั้นก็อันตรายแม้แต่ของอร่อยเรายัางต้องกินทีละคำทีละคำเลยชั้นนั้ก็ฉันนั้นการงาน ไม่ว่างานภายนอกหรืองานภายในก็ต้องทำทีลนิดทีลนิดทำเป็นทีลนาทีทีลนาทีทำเป็นทีลขณ ะ, ท, ท, ะ ท, ท, ทีละขณะขางานภายในมันไม่ใช่งานเหมือนงานภายนอกนะมันไม่มีความเสี่ยงไม่มีเดิมพันสูงเท่าไหร่งานภายนอกเช่น ง, งานพวกเรางานดูแลคนไข้หรือว่าขับรถส่งคนไข้นี่มีมีเดิมพันสูงพลาดก็ อาจจะเกิดถึงกับชีวิตนะแต่ว่างานภายในนี่มันไม่ใช่งานที่มีเดิมพันสูงเป็นงานสบายๆหลวงพ่อเทียนท่านก็ย้ำก็พูดอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าให้ทำเล่นๆนะทาเล่นๆแต่ทำจริงๆทำเล่นๆคือว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมันจะฟุง้งก็ช่างมัน หน้าที่เราก็คือรู้อย่างเดียวรู้ว่าฟุง้งมันจะงุดงิดก็ช่างมันหน้าที่เรารู้อย่างเดียวคือรู้ว่าหงุดหงิดนะง่วงก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องสงบอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะห้ามฟุ้งซ่านไม่ได้อันนี้เรียกว่าทาเล่นๆแต่ทาจริงๆคือว่า ให้รู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เช้าเลยตื่นขึ้นมาก็ให้ให้ส่งความรู้สึกตัวเอาไว้หรือว่ามันฟุ้งยังไงก็รู้ตัวรู้ตัวไปเรื่อยๆฟุ้งก็ช่างมันฟุ้งก็ช่างมันก็ทําใหม่ทําใหม่นันนี้ก็เป็นงานที่เรื่องงานที่ง่ายเพราะไม่มีงานไหนที่จะบอกให้เราทําเล่นๆแต่งานปฏิบัติเนี่ยมันทําเล่นๆได้แต่ต้องทําจริงนะ คือทำตั้งแต่เช้าจนค่าตั้งแต่เช้าจนค่าซึ่งก็ไม่ใช่ยากเพราะว่าไม่ว่ายิรียบบทไหนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินข้าวแล้วก็ปฏิบัติได้ไม่ยังเป็นต้องปิดตาไม่ยังเป็นต้องนั่งและปฏิบัตนะิเป็นวิธีการที่สากล น, นะทได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องเอาคะแนน ไม่มีใครให้คะแนนเราไม่ต้องแข่งกับใครนะแต่ว่าเพียงแต่เราซื่อตรงกับตัวเองอะไรเกิดขึ้นกับใจก็รู้ให้ความไม่ดีในใจที่ผุดขึ้นมาก็รู้ซื่อตรงยอมรับไม่ปฏิเสธว่าเรามีนิสัยแบบนี้เรามีความคิดไม่ดีแบบนี้ไ ม, ม่แหมมันยอมรับไม่ได้นะโอทำไมเราคิดร้ายแบบนี้ทำไมเราเห็นแก่ตัวแบบนี้ทาไมเราคิดชั่วร้ายแบบนี้ แต่ก่อนไม่ค่อยสังเกตนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่สังเกตรหรือก็หรือไม่พยายามกดขม่มปิดบังเอาไว้แต่พอเรามาปฏิบัติงบบนี้มันก็จะเห็นมันก็จอกมาเรื่อยๆถ้าเราซื่อตรงกับตัวเองล้วก็ยอมรับยอมแล้วก็เออช่างมันหนูพ่อคาเขียนท่านบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างหน้าที่ของเราก็คือรู้อย่างเดียวและนี่คืองานภายในที่จะช่วยทาให้เราเนี่ย มีชีวิตที่ปร่งเบาไกลจากความทุกข์ได้ผู้ถึงเรื่องการปลดเปลื้งความทุกข์เนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะพระพุทธองค์ตรัสว่าวิธีการบรรเทาด้วยการลดละอาสวะซึ่ ง, เ ร, ง, ง เ, เริ่มตั้งแต่ลดละด้วยการเสพหมายถึงอะไรหิวก็กินร้อนก็ห่มผ้าหรือว่า เข้าไปอยู่ในถ้าฝนตกก็ไปหลบอยู่ในกุฏิที่พักก็คือปัจจัยเสียนั่นเองลดละบรรเทาความทุกข์หรือว่าบรรเทาอาสวะด้วยการเสกนะการหิวมันก็ทำให้เกิดอาสวะได้คือเกิดความนีเกิดความโกรธนะหรือว่าเจ็บไข้ไม่สบายก็ทำให้เกิดอาสวะได้วิธีการคือว่ากินยาซะกินยาก็หายป่วยหายไขย้จิตใจก็เบาสบาย ทางพุทธศาสนานี่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องวัตถุนะปัจจัยสีเป็นเรื่องวัตถุที่พระพุทธองค์ก็ตระหนักว่ามันช่วยทำให้ลดละความทุกข์ได้แล้วก็ลดละความทุกข์ทางใจด้วยแต่ว่าไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะนอกจากการเสพแล้วก็ต้องมีการละเวน้นอันไหนที่มันเป็นปัญหาที่เป็นอันตรายเช่นเป็นที่ร้อนที่หนาวแล้วก็หลบซะ อันไหนที่มันอึกกระทึกวุ่นวายเราก็หลบซะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเรียกว่าบรรเทาด้วยการละเว้นหรือการหลีกเล้นนะอันนี้เราก็ใช้วิธีการนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนอกจากการเสพการละเว้นแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ความอดกลั้น มันร้อนก็อดกลัน้นมันเย็นก็อดกลัน้นมันหิวก็อดกลั้นเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราใช้บ่อยนะแต่ว่ายังมีวิธีการอื่นที่เราควรจะรู้นะเช่นการมีความสำรวมในอินทรีย์นะมีความสำรวมในอินทรีย์นี่หมายความว่า ไม่ได้หมายถึงการควบคุมตาควบคุมหูควบคุมจมูกควบคุมลิ้นนะแต่หมายถึงการรู้จักรู้จักรักษาใจไม่ให้ยินดียินร้ายนะไปกับสิ่งที่มากระทบกับเราคนเขาพูดชมเราเราก็รู้ทันไม่ฟูคนเขาตําหนิเราก็รู้ทันใจไม่แฟบนะ เห็นหน้าคนที่ไม่ชอบจิตมันก็เพื่อมขึ้นมาก็รู้แล้วก็วางได้อันนี้เรียกว่าลดละบันเทาด้วยความสังวรหรือความสำรวมก็คืออินทรีย์สังวรนั่นเองเรียว่าความสำรวมในอิ <im interesante> นทรีย์นะยังมีวิธีการลดละอย่างอื่นอีกเช่นการลดละด้วยการเห็นเห็นอะไรเห็นในอริยสัจสี่ เห็นความจริงว่ามันนี้มันเต็มไปได้วยทุกข์มันไม่เที่ยงเมื่อเห็นเช่นนี้เนี่ยเวลาเกิดความพัดพรากสูญเสียขึ้นมาก็ไม่ทุกข์เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าอันนี้มันเป็นธรรมดาความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วความเจ็บป่วยก็คือทุกข์ซึ่งมันอยู่ประจําสังขารอยู่แล้วถ้าเห็นอย่างนี้มันก็วางได้ก็เรียกว่าละวางได้ด้วยปัญญา อีกอันหนึ่งนะก็คือการลดละหรือบรรเทาด้วยการทำให้มากนะการทำให้มากก็คือการภาวนานั่นเองภาวนาที่แปลว่าทำให้มากเช่นภาวนาให้สติมากขึ้นภาวนาให้สมาธิมากขึ้นภาวนาให้มีวิริยะมากขึ้นภาวนาให้มีอุเบกขามากขึ้นอันนี้เราเรียกว่าพชงมีเจ็ดประการ อันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ลดละา ด, ด้วยการเสพมาเยอะแล้วนะเราหิวเราก็กินนะเราปวดเราก็าบัรเทาด้วยยานะเราเครียดเราก็ไปดูหนังนะเราเครียดเราก็ไปฟังเพลงหรือไม่ก็ไปหาอะไรกลิน่นอันนี้ก็ใช้บ่อยหรือว่าเครียดมากๆก็หลบจากงานบ้างไปหาที่สงบๆในธรรมชาติในสวน นี่ก็ใช้วิธีการละเว้นหรือว่าหลีกเล่นลนะอดกลั้นอดข่มอดทนเราก็ทำมาแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เรายังทําน้อยเนี่ยนะก็คือเรื่องภาวนานะเรื่องการสํารวมในอินทรีย์ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเรื่องการแก้ปัญหาที่ใจนะ ที่เราทำน้อยทั้งๆที่ความความสุขหรือทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ว่าเรายึดเราปรุงไหมเราอยู่นี่เนี่ยถ้าเราไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงงานการที่ค้างค้างไม่คิดถึงหนี้สินที่ยังไม่จ่ายเราก็ไม่ทุกข์หรอกแต่พอเผลอไปคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อ น, นั้นหรือบางทีก็ไปคิดถึงเงินที่ถูกขโมยไป นะคิดถึงงานที่ล้มเหลวไม่เป็นท่า ท, ทั้งที่ไม่ใช่เป็นความผิดของเราผ่านไปนแล้วก็ยังเอามาคิดนะคิดถึงแฟนที่ทิ้งเราไปมันก็เป็นอดีตไปแล้วแต่ก็เอามาคิดพอคิดเข้าก็ทุกเลย น, ะนี่เป็นเพราะใจเป็นเพราะความคิดไม่ว่าจะเป็นกังอะไรในอดีตหรือว่ากังวลกับอนาคตวันที่ก็ปรุงแต่งขึ้นมานะ ความเราทุกข์เพราะความปรุงแต่งเช่นได้ยินเสียงเนี่ยเมื่อเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ทันทีนะแต่พอเราไปไปให้ค่ากับมันว่าเป็นเสียงที่ดังเสียงที่ลาคาญเป็นเสียงที่ไม่น่าเกิดขึ้นตอนนี้เช่นเสียงโทรศัพท์ในโรงหนังหรือเสียงโทรศัพท์ในห้องนี้ในศาลานี้เนี่ยมันจะคิดขึ้นมา ทันทีว่าเสียงนี้ไม่ดีเสียงนี้ไม่เพราะพอปรุงแต่งแบบนี้เข้าทุกทันทีเลยแต่ถ้าเรามองว่าแต่ถ้าเราไปให้ให้ค่าว่าเสียงนี้ดีนะเออเป็นเพลงที่เราชอบทําให้เราคิดถึงความหลังที่ยังสดชื่นพอได้ยินปุ๊บเออมันก็เกิดความรู้สึกยินดีขึ้นมาเสียงเดียวกันแต่รู้สึกไม่เหมือนกันเพราะว่าเราปรุงแต่งหรือให้ค่าไม่เหมือนกัน เลลวลาเราอ ย, อยู่โรงพยาบาลมีคนไข้ามาทัน ท, ที่ตาเห็นคนไข้เดินมาเราก็า จ, จะรู้สึกไม่สบายใจเพราะเราให้ค่าว่าโอ้ต้องมีผาร่าอีกแล้วก่อนมังจะไปกินข้าวเที่ยงอยู่นี่ก็บ่ายโมงแล้วเห็นคนไข้ามาอีกคนหนึ่งเป็นลุงแก่ๆเราก็ไม่สบายใจหงดหิวขึ้นมาเพราะว่า ทำให้เราไม่สามารถไปกินค่ากลางวันได้หรือว่าทําให้มีภาระเพิ่มขึ้นเห็นทีแรกเห็นนี่ไม่ทุกแต่พอปรุงแต่งหรือให้ค่าเนี่ยจะทุกทันทีแต่ถ้าเกิดเราอยู่คลินิกนะคลินิกส่วนตัวเห็นคนไข้ามาคนไข้คนเดียวกันแต่ว่าเรากลับรู้สึกชอบเพราะว่าเออมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะก็ทําให้อ่ารายได้ของคลินิกเรามีมากขึ้น เห็นคนไขคนเดียวกันแต่รู้สึกไม่เหมือนกันเพราะในบางขณะเห็นว่าเขาคือภาระแต่ในบางขณะเห็นเขาคือเป็ น, ปนลูกค้ามันอยู่ที่ใจทั้งนั้นแหละคือการปรุงแต่งหรือการให้ค่าถ้าส่วนใหญ่เราปรุงแต่งไปในทางลบปรุงแต่งในทางไม่ดีมันก็เลยทุกข์เราปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งเป็นเราก็ปรุงแต่งในทางบวกได้อย่างมีคนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยวันนั้นอากาศร้อนมาก เขาก็เลยนั่งอยู่ในห้องแอร์นะตอนบ่ายอากาศร้อนก็นั่งอยู่ในห้องแอร์ขาะอยู่ในห้องแอร์ยังรู้สึกอ้าวเลยสักพักก็ได้ยินเสียงคนเรียกที่หน้าบ้านหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันเป็นเสียงเรียกของไพรสนีบุรุษไพรสเนีเรียกให้มารับจดหมายเขาห ง, งุดหงิดเพราะอะไรเขาห ง, งุดหงิดเพราะว่า เขาไม่อยากออกไปรับจดหมายออกไปรับจดหมา ย, จยาเจออากาศอ้าวจาเจอแดดนะเขาทุกข์ก็จะไม่ชอบอันนี้ก็อาจะตรงข้ามกับคนที่กําลังรอจดหมายของแฟนถ้าคนที่รอจดหมายของแฟนเนี่ยพอได้ยินจุดบุรุตไปษณีเรียกเนี่ยจะดีใจรีบออกไปรับเลยนะอันนี้เป็นเรื่องการปรุงแต่งเรื่องการให้ค่าแต่สําหรับคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้รอจดหมายใครแม้อพอเขได้ยินเสียงบุหรุตไปษณีเขาจะทุกข์เพอก็ต้องออกไปรับ เขาก็ไม่ออกไปนะแต่บุรุษไปสเนก็เรียกไม่ได้เรียกเฉยๆที่ตอนหลังบุรุษไปสเนก็รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเมื่อเรียกสักพักเขาก็ไม่เรียกแล้วเขาร้องเพลงร้องเพลงรูปทุ่งร้องเพลงสบายๆเ ส, สียงดังเข้ามาในบ้านตัวทั่งจนกระทั่งเจ้าของบ้านต้องออกไปรับเพราะรู้ว่าบุรุษไปณีนกอยู่ยาวแน่นะออกไปรับจดหมายเสร็จก็ถามบุรุษไปณีนกว่า อากาศร้อนอย่างนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอนะอาจจะพูดได้ความสึกประชดประชันก็ได้บุหรีปปร่ไปสนี้ก็พูดดีนะก็ตอบว่าอากาศมันร้อนนะแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับนะโลกร้อนแต่ว่าผมร้องเพลงแล้วมันสบายใจก็เย็นร้องไปทำงานไปก็มีความสุข แล้วแกก็ทํางานต่อขับรถไปบ้านอื่นต่อแล้ร้อนนะแต่ใจเย็นมันก็เย็นนะอากาศร้อนแต่ใจเย็นก็ไม่เป็นทุกข์ในกรณีของบุรีพิสเนศวันนี้เขาวิจัยวิธีการปรุงแต่งด้วยการร้องเพลงพอร้องเพลงลูกทุ่งเขาสบายใจเขาเย็นมันก็เย็นนะไม่ใช่ว่าเจอแดดร้อนแล้วใ จ, จใจจะร้อนใจจะทุกข์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การ ปรุงแต่งของใจด้วยนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทําให้เราสามารถที่จะลดละความทุกข์ได้แต่ว่าที่มาปฏิบัติที่นี่เราเราจะไม่เน้นเรื่องการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งนี่ก็มีประโยชน์อยู่เช่นเวลาเราโกรธเราก็แผ่เมตตาเราก็นึกถึงความดีของเขาว่าเขาเคยทําดีกับเรา หรือนึกถึงความทุกข์ของเขาว่าเขามีเป็นคนที่มีความทุกข์มากน่าสงสารนะ่ตั้งแต่เล็กเลยไม่มีใครรักเขาไม่มีใครเห็นใจเขาเขาก็เลยมีนิสัยก้าวร้าวปากคอเลาะลานนะคิดแบบนี้เข้าใจแบบนี้เราก็ให้อภัยเขาหรือไม่ก็แผ่เมตตาอย่างที่เราแผ่เมตตาเมื่อสักครู่มันก็เป็นการปรุงแต่งคือการทำให้เกิดเมตตากรุณาก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งได้ น, นะคือ เมตตาภาวนาเป็นการลดละด้วยการพัฒนาหรือเพิ่มให้มากขึ้นเมื่อเราปรุงแต่งแบบนี้หรือว่ากําหนดแบบนี้นะความโกรธก็บรรเทาความทุกข์ก็หายไปแต่ว่าเราจะไม่ใช้วิธีการปรุงแต่งใจในทางบวกในช่วงเจวันนี้เราจะใช้วิธีการฝึกใจให้เห็นนะลดละอาสวะด้วยการเห็น ไม่ใช่เห็นอริยสัจสี่เป็นกรอบเห็นเป็นเห็นหรือว่าท่องเอาว่านี่ทุกข์นี่สมุทยัยนี่รุมรรงแต่เห็นด้วยใจจริงๆเห็นด้วยสติว่านี่ทุกข์นะไม่ต้องบริกรรมว่าทุกข์นะแต่มันเห็นเองว่าโอนี่หงุดหงิดนี่โกรธนะเกิดขึ้นมาในช่วงเจวันนี้เราจะเน้นตรงนี้นะคือการลดละอาสวะหรือลดละทุกข์ด้วยการเห็นนะ วิธีอื่นเราไม่ทำแล้วเพราะว่าเราทํามาเยอะแล้วลดละด้วยการเสพลดละด้วยการอดกดข่มหรือว่าลดละด้วยการหลีกเล่นเราไม่เราไม่ทําเราจะมาเน้นเรื่องการเห็นนะซึ่งจะเป็นวิธีการที่จะช่วยเราได้มากไม่ใช่วิธีการหรือไม่สําคัญแต่เห็นว่าเราทํากันมาเยอะนะแต่วิธีการแบบนี้เราไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่ ต่อไปนี้เราจะฝึกในการเห็นเห็นอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็เห็นโดยไม่ตัดสินโดยไม่ปรุงแต่งตัวไม่ให้ค่านะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอากาศร้อนก็รู้ว่าร้อนนะอากาศเย็นก็รู้ว่าเย็นมีเวทนาสุขหรือไม่เวทนาทุกข์ก็รู้นะี่อยากจะให้เราได้มาลองเจอหรือฝึกวิธีแบบนี้ดูซึ่งไม่ใช่ยากอะไรเลยไม่ได้เรียกร้องวิชาการไม่ได้เรียกร้อง ให้ต้องเพง่งต้องต้องกดข่มอะไรทั้งสิ้นไอการเพง่งการกดข่มนี่แหละ ย, ยากแต่เพียงแค่รู้เฉยๆนี่แหละที่มันสบายไปเยอะนะแต่เราอาจจะไม่คุ้นใหม่ๆก็อาจจะทําผิดทําพลาดไม่เป็นไรก็ให้เรียนรู้กันไปเอาล้วก็พูดกันเท่านี้เช้านี้